บรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิย่แห่งมหาสติปทานในสูตรที่พระพุทธีพระภาคเจา้าทรงแสดงแก่ชนชาวกรุนั้นทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางเป็นนันเอก ทางเอกที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นซึ่งหมายความว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่จะนำบุคคลให้ประสบผลในชีวิตปัจจุบันและในการภายหน้านั้นมีทางที่จะแนกลดหลั่นกันออกไปซึ่งโดยตัวทั่วไปบางครั้งบางคราว ก็แสดงโดยพิสดารแต่บางคราวก็แสดงโดยสรุปคราวนี้จะพบว่าที่กล่าวโดยสรุปนั้นก็มีอยู่สองทางที่เกิดขึ้นจากผลของอกุศลกับผลของกุศลที่บุคคลได้ประพฤติกระทำในอดีตบ้างในปัจจุบันบ้างและอำนวยผลให้เกิดขึ้น แกบุคคล น, นั้นตามสมควรแก่เหตุซึ่งท่านชา้คำว่าทุกขติคือไปชั่วไปยากไปประสบความลำบากต่างๆทางหนึ่งที่เรียกว่าสุ ก, กติคือไปงามไปง่ายไปดีในชั้นของสังสารวัติก็ทรงแสดงไว้เป็นช่วงจีกว่างในรูปของการหมุนบนไป ตามหลักของการมีกิเลสแล้วทำกรรมรับวิบากของกรรมหมุนวนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้จึงทรงแสดงจำแนกทุกติเอาไว้เป็นสประการด้วยกันคือกำเนิดนรกกำเนิดเปรตเป็นสุรกายและเป็นสัตว์ดิเรกชันกำเนิดทั้งสประการนี้เรียกว่าอบาย แปลว่าหาความเจริญไม่ได้ไม่ว่าจะความเจริญในด้านที่อยู่อาศัยความเจริญในด้านพัฒนาการต่างๆทางจิตใจและความสุขที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะพึงสัมผัสได้ก็เป็นไปได้ยากในชั้นต่อไปนั้นถือว่าเป็นชั้นกลางๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นสุขติหรือทุ ก, กติก็ได้ นั่นก็คือชั้นของความเป็นมนุษย์ด้วยเพศด้วยอัตภาพของมนุษย์นี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่ำลงและในด้านสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในชั้นของจิตใจหมายความว่าในการดําเนินทางกายคือการประพฤติปฏิบัติการดรํารงชีพการประกอบกิจการงานของบุคคล ในอัตภาพของมนุษย์นั้นอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าหรือตกต่ำก็ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของบุคคลแต่ละคนแต่ว่าในชั้นของคณะจิตหรือการเที่ยวปลายของจิตการดำเนินไปของจิตก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามอำนาจของอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพื้นฐานจิตของบุคคลเรา คนนี้จะพบว่าบางครั้งบางคราวจิตก็ตกต่งอยู่ในสภาพของนรกมีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจิงชังต้องการจะทำลายล้างเบียดเบียนกันเป็นต้นบางครั้งก็ตกในสภาพของเปรตที่แปลว่าผู้ละไปแล้วมีอาการหิวโหยกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆไม่มีที่สิ้นสุด จนเสียความสงบบางครั้งก็จิตพร่านไปในอารมณ์นั้นๆบางคราวก็ตกอยู่ในภาพของอสุรกายในด้านของจิตใจพุงมาปรารถนาที่จะหลอกลวงสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนขาดความเชื่อมัน่นขาดความกล้าหารในการที่จะประพฤติกระทำความดีทั้งหลายโดยมองเห็น ความดีเป็นภูเขาที่ขวางกัน้นซึ่งยากต่อการจะก้าวขึ้นไปและไม่ยอมก้าวขึ้นไปบางครั้งบางคราวก็เพียงพยายามสนองตอบความต้องการของตนตามสัญชาตญาณแห่งสัตว์เดรัจฉานจะได้อะไรก็ไม่คำนึงถึงหลักเหตุผลเกิดปัญหาอะไรก็ตัดสินกันโดยอารมณ์แทนที่จะตัดสินกันด้วยเหตุผล รือมัวมองหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกากินนอนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จกพอในเรื่องดหล่านั้นวิธีจิตที่เดินไปคือความนึกคิดที่เดินไปในลักษณะนี้ก็ถือว่าทางเดินของจิตที่ต่ำลงเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลส ท, ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงให้สูงขึ้นหาความสบายคือหาความเจริญไม่ได้หาความสงบไม่ได้ ในบางครั้งวิธีจิตก้าวขึ้นสู่แนวสูงมองพิจารณาเห็นโทษของบาปอากุศลต่างๆรก็ยกจิตขึ้นใช้ปัญญาเป็นหลักในการวิเคราะห์ตรวจสอบพิจิพิจารณาสิ่งต่างๆจนสามารถจําแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นและเลือกสรรเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ อันเกื้อกูลแก่ตนอำนวยความสุขแก่ตนและบุคคลอื่นอีกชั้นหนึ่งนั้นมีความละเมยดละไหม่ ย, ยิ่งขึ้นจิตกรบด้วยหิริความละอายต่อบะโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบะจนมีพลังในการป้องกันในการขาจัดบาปอกุศลที่มีอยู่ภายในจิตและป้องกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าจิตใจมีความกล้าแข็งจริงก็าสามารถทำได้โดยอัตโนมัติคือเมื่ออารมณ์บางเกิดขึ้นอิริก็จะเข้าไปปิด ก, กัน้นกระแสะแห่งอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้โดยอัตโนมัติแต่ในขณะเดียวกันบุคคลก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีความสงบระดับนสูงขึ้นกว่านั้นก็ออ จ, จะเป็นพรหมด้วยอัตภาพปัจจุบัน ในด้านของจิตใจคือกอบด้วยเมตตาความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นกุณาความสงสารเมื่อทราบข่าวรู้เรื่องหรือเห็นเหตุการณ์ที่บุคคลอื่นกาลังประสบความทุกข์อยู่ก็ปรารถนามุ่งหวังที่จะให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์มีมุตทตาคือพอปลอยชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าการได้ดีของบุคคลอื่น จะสา ม, มารถทำใจเป็นอุเบกขาเมื่อเหตุการณ์อยู่ในภาวะที่สุดวิสัยจะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่คนที่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูของตนก็ตามและ้วยการมันเป็นเพียนเหล่านี้คือตามหลักของสมถกรรมฐานที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ตาจะสัมผัสความสงบในชั้นของฌานขึ้นไป ก็ชื่อว่าเป็นพรหมด้วยอัตภาค่าปัจจุบันนี้แต่แต่ในชั้นของการเพียนพยายามปฏิบัติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะทำให้พบชาติคือความเป็นของจิตแต่ละขณะมีความประนีตขึ้นมีความสงบสูงขึ้นโดยลำดับทางไปเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือการไปสู่ กามาปาจรรูปาวจรและอารูปาวจรทั้งในชั้นของสังสารวัฏที่เป็นช่วงยาวทั้งในชั้นของจิตใจแต่ละขณะซึ่งเป็นช่วงสั้นแต่ข้อนี้เพิ่งเข้าใจว่าต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการอะกันถ้าหากว่าบุคคลสามารถปฏิบัติให้สัมผัสจิตชั้นที่เป็นรูปประชานได้เวลาตายไปก็บังเกิดในรู ป, ปรพรม ถ้าปฏิบัติจนถึงอรูปประพรมอรูปประชานได้ก็บังเกิดในอรูปประพรมนั้นชั้นของจิตในแต่ละวันแต่ละขณะจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะกำหนดคดิคือสถานที่ไปในสังสารวัฏของบุคคลนั้นให้ประณีตหรือตกต่ำตามสมควรแก่กรรมที่เขาได้กระทำไว้แต่ว่าทางไปทั้งหมดนั้น เป็นการไปในลักษณะที่ไม่แน่นอนไม่คงที่อะไร น, นั้นพระพุทธมีพระภาคเจ้าจึงทรงอุปมาสังสารวัตรเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ศาส ท, ทั้งหลายท่องเที่ยวไปในสังสารวัตนั้นเหมือนกับบุคคลโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็อาปลายลงบางครั้งก็อบกลางลง บางครั้งก็อโคลนลงกําหนดกันไม่ได้สัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้จากพรหมโลกมาสู่สวรรค์จากสวรรค์ไปสู่พรหมโลกหรือมาสู่มนุษย์หรือมาสู่นรกคือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในชั้นภพและชั้นภูมิของบุคคลดอกนั้นตามเงื่อนไขของกำหน การกลับไปกลับมาในสังสารวัฏจึงมีได้แต่ก็ไม่ได้มาในรูปเดิมในลักษณะเดิมในการเดิมในเทศะเดิมเพราะอย่างน้อยที่สุดการก็เปลี่ยนไปแล้วสถานที่ก็เปลี่ยนไปแล้วเหตุปัจจัยต่างๆแห่งภพชาติเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปจำนวนที่เราพูดกันแพร่หลายนั้นถือว่าเป็นความจริงในชั้นสมมติที่ฟังกันได้ในชั้นหนึ่ง ท่านทั้งหลายที่ไปในงานศพต่างๆจะพบว่าเวลานี้จะมีการปักพัดขึ้นมาเป็นพิเศษในงานศพโดยมีคํากรอนดูคล้องจองกันสี่ข้อความด้วยกันว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคําว่าไปไม่กลับนั้นพูดในแง่ของความจริงชั้นหนึ่งก็เป็นไปอย่างนั้น คือหมายความว่านายกอเมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นนายกออีกนั่นเป็นไปไม่ได้สมมติว่าจะเกิดเป็นคนอีก <c oughs> ก็เกิดในคันหนึ่งด้วย <c oughs> เหตุปัจจัยอย่างหนึ่งในกาละอย่างหนึ่งในเทสะอย่างหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงในช่วงของสังสารวัฏแล้วจะมีการบุนวนอยู่เรื่อยไปสาบใดที่เหตุปัจจัยให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏยังไม่ถูกทำลายการเป็นไปใน สังสารวัฏจึงเป็นไปตามหลักของภาวะจักรดัทงที่กล่าวแล้วแต่ว่าทางอันเอกที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนั้นเป็นทางที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะไม่มีการกลับเข้าสู่กระแสของสังสารวัฏอีกคือหมายความว่ามีจุดหมายปลายทาง อยู่ที่ความหมดสิ้นซึ่งอาสวะในกิเลสทั้งหลายแต่ก็มีขั้นตอนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไปโดยลำดับแต่ละขั้นแต่ละตอนของการประพฤติปฏิบัติบุคคลก็จะสัมผัสผลในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดเป็นความสะอาดขึ้นในด้านกายด้านวิจามีความสงบภายในจิตใจขึ้นตามลำดับ จนถึงมีความรอบรู้มีความสว่างด้วยญาณปัญญาหรือพิชชาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจดังนั้นจึงใช้คําว่าเอกยนามกคความหมายของเอกยนามคอีกประการหนึ่งนั้นหมายความว่าท่านที่ต้องการจะดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางจริงๆ จ, จะต้องเป็นหนทางที่ไปคนเดียว คาวมาไปคนเดียวมีความหมายอยู่สองในยัยยะในยัยแรกหมายถึงต้องเลิกละการครุกคลีการเกี่ยวข้องด้วยบุคคลอื่นและด้วยอารมณ์ที่เป็นของชาวโลกทั้งหลายพยายามควบคุมใจไม่ให้สายไปด้วยอำนาจของความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ต่างๆเป็นต้นดังนั้นวิเวกคือความส ง, งัด จึงทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกคือกายยู่เวกสงัดกายได้แก่กายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปครุกคลีด้วยเรื่องราวและอารมณ์บุคคลหรือสิ่งต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะไวต่อการเพิ่มเชื้อของกิเลสเจนโกให้เกิดความกำหนัดเกิดเคืองรุ่มหลง ม, ม, มัวเมาได้ง่าย บางครั้งในชั้นที่ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นต้นใช้คำว่าบุคคลพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอยแรกซึ่งหมายความว่าจะต้องไม่มีเพื่อนสองเพราะอะไรก็ตามถ้าเริ่มสองแล้วมักจะมีการกระทบกระทั่งกันมักจะมีเรื่องที่ก่อให้เกิดความขุ่นข้องมองใจอย่างความคิดของพระราชาพระรงค์หนึ่ง ท่านมองเห็นกำไรซึ่งนางสนมมาใส่เอาไว้ในมือสองอันด้วยกันอีตอนก่อนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไปรอยูก่กำไรนั้นอยู่อันละข้างแต่ว่าเมื่อมาอยู่ข้างเดียวกันก็มีการกระทบกระทั่งกันพอให้เกิดเป็นเสียงดังคนเราก็เหมือนกันพอเริ่มเป็นสองก็จะมีปัญหาติดตามมาถ้าหากว่า ม, มีการควบคุมบังคับอัญชาที่ดีแทนที่จะได้ความสุขก็จะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้สูงขึ้นดังนั้นในชั้นของการครองเรือนจะพบว่าพระพุทธเจ้าก็เริ่มในข้อที่ว่าเย่าเรือนที่ครองไม่ดีก็มีทุกข์ซึ่งหมายความว่าในชั้นของการครองเรือนซึ่งเป็นความสุขระดับหนึ่งนั้นมีคนเกี่ยวข้องสองคนขึ้นไป ถ้าครองดีก็มีมีสุขในชั้นของการครองเดอนแต่ในขั้นการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานนั้นมุ่งที่จะปลีกตนคือดึงกายดึงจิตของตนออกห่างจากเรื่องเหล่า น, นั้นในชั้นสามัญทั่วไปนั้นกายอาจจะยังออกไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมะแล้ว ก่อที่จะดึงจิตออกมาจากการครุกคร้าอารมณ์การสยบจิตใาอารมณ์การหมกมุ่นกังวลต่อเรื่องราวเหล่านั้นแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่ก็ดึงจิตออกมาได้ก่อนเป้าหมายจริงๆเป้าหมายสุดท้ายคือต้องออกได้ทั้งกายทั้งจิตด้า น, นการเกี่ยวข้องการครุกครีด้วยวัตถุบุคคลเรื่องราวต่างๆ จึงกลายเป็นอุปสรรคแห่งทางเอกคือศาสตร์ใดที่ยังเกี่ยวเกาะยังผูกพันยังมีความเปาของเราพวกเราเป็นเราเป็นต้นโอกาสที่จะสัมผัสผลชั้นสูงจึงเป็นไปได้ยากในขั้นของจิตใจสมบพูผู้ประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นไปที่เสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยอันสึง ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรมารบ ก, กวนที่จะกระตุกจิตของบุคคลให้ไปสนใจในอารมณ์เหล่านั้นความสงัดเงียบเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มีความสำคัญเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเวลาเริ่มมาเพ็นเพียนทางจิตก็ต้องต้องปลีกพระองค์ไปหาสถานที่สงบเหมือนกันท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า เรื่องของสมาธิก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจำเป็นที่จะรวมจาเป็นที่จะต้องรวมลงไปในจุดเหล่านั้นถ้าหากว่ามีการแบ่งแยกถูกกระตุกด้วยเสียงบ้างด้วยรูปบ้างด้วยกลิน่นด้วยรสเป็นต้นบ้างใจก็จะแยกไปรับอารมณ์เหล่านั้นอยู่เรื่อยไปการรวมตัวลงไปสู่ความสงบก็ดีใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาก็ดีก็เกิดขึ้นได้ยาก นานเรื่องของกายวิเวกจึงเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะเข้าหาเอกายานมัตตคือทางที่บุคคลพึงไปโดยผู้เดียวในชั้นของการปฏิบัติจึงสอนให้ตัดความกังวลต่างๆว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกังวลถึงบ้านถึงกิจการงานถึงญาติพี่น้องถึงโรคภยัยไข้เจ็บตลอดถึงเพื่อนฝูงเป็นต้น คือเรื่องกังวลนั้นมีมากเลยอย่างน้อยที่สุดในขณะที่ปฏิบัติอยู่ต้องตัดออกได้ชั่วคราวในช่วงที่ปฏิบัติใจจะต้องอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเท่านั้นว่าจะเป็นเรื่องของความสงบเรื่องของการใช้ปัญญาก็ตามและผลที่บุคคลจะสัมผัสได้นั้นเป็นผลที่แต่ละคนจะสัมผัสด้วยตัวเอง คือแบ่งให้กันไม่ได้ช่วยเหลือกันไม่ได้เป็นผลเฉพาะนี้ก็ชื่อว่าเป็นเอกยนนมาคอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นข้อปฏิบัติที่ทส่งแสดงเอาไว้เมื่อเราวลงโดยสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติไปตามหลักของอริยสัจสี่หรืออริยมรรคมนองค์8ปประการ เป็นข้อปฏิบัติทางเดียวสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต ท, ที่ผ่านมาแล้วเท่าไรก็ตาก็ทรงแสดงเรื่องเหล่านี้เอาไว้พระพุทธเจ้าองค์ในปัจจุบันก็ได้แสดงอย่างนั้นและพระพุทธเจ้าที่จะบังเกิดขึ้นอีกในอนาคตจะกี่องค์ก็ตามก็จะทรงแสดงอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ ภาษาบอกทั้งหลายของพระองค์ที่สัมผัสผลได้ก็ต้องปฏิบัติไปในแนวนี้นอกจากทางนี้แล้วจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ไม่ได้ข้อนี้พึงดูจากพระพุทธดำรัสที่พระองค์รับสั่งแก่ท่านสุภัททะริภาชกซึ่งเข้าไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนสเสด็จดับขันธะปริพัน ท่านตีวงกว้างออกมามากโดยปรารบถึงศาสดาทั้งหลายในคราวนั้นมีอยู่หกท่านด้วยกันเป็นเจ็ดทางพระพุทธเจ้าว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระหันจัดสรุดีจสัจสรุชอบด้วยตนเองหรือไม่เนื่องจากพระพุทธเจ้าจวนจะปรปนิพพานแล้วจึงตัดประเด็นเหล่านั้นออกไปได้รับสั่งโดยสรุปว่าลูกกรสุภาทัม อริยมรรตมีองค์8ปประการมีอยู่ในธรรมวินัยใดการศึกษาการประพฤติปฏิบัติชอบตามอริยมรรมีองค์8มีอยู่ในพระธรรมวินัยใดในธรรมวินัยนั้นย่อมมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สที่4คํคำว่าธรรมวินัยนั้นเป็นโบหารที่ใช้ในสมัยพระพุทธเจ้า เรเรียกศาสนาว่าในพระธรรมวินัยเรียกว่าธรรมวินัยเราเรียกว่ า, าสัตรธรรมไม่ค่อยเรียกว่าศาสนาสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นก็คือพระอริยบุคคลคือโสดาสกิตคานาคาอารหัน์นั่นเองแสดงว่าความเป็นพระอริยบุคคลจะมีได้ก็ด้วยการปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคในองค์8ดประการ หรือที่สรุปเรียกว่าไตรจิตขาคือศีลสมาธิปัญญาเวลากระจายในรูปการปฏิบัติก็กระจายแนวออกมาตามหลักของมหาสติปัฏฐานในสูตรหรือสติปัฏฐานในสูตรซึ่งว่ากันที่จริงแล้วก็ครอบคลุมเนื้อหาในการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตร์อื่นๆซึ่งก็หมายความว่า เาจะพูดว่าพระธรรมเทศนาทั้งหมดสรุปลงที่ธรรมจักรกับวัตตนสูตรก็ได้หรือจะพูดว่าสรุปลงที่มหาสติปัฏฐานาสูตรก็ได้พระธรมะรมสวดมากเป็นเรื่องของนิยะแห่งธรรมะหรือปริยายแห่งธรรมที่ทรงสดแสดงคล้อยตามจริตอัตยานสายของบุคคลเท่านั้นเองแต่พึงเข้าใจว่าในชั้นของการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานาสูตรนั้น เป็นไปเพื่อสัตตานางวิสุทธิยาเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงแต่ในชั้นของความบริสุทธิ์แล้วก็มีอยู่เป็นชั้นๆไม่ได้หมายความว่าจะบริสุทธิ์ไปถึงจุดสุดยอดทีเดียวสิ่งที่บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ขึ้นอยู่กับมาเปรียบเทียบกัน กร น, นีพึงสังเกตว่าคนหนึ่งรักษาศีลได้ห้าคนหนึ่งรักษาได้3มคนรักษาได้หก็บริสุทธิ์กว่าคนรักษาได้ห้ากับรักษาได้8คนบริสุทธิ์ได้รักษาได้ทั้ง8ก็บริสุทธิ์มากกว่าสแสดงว่าความบริสุทธิ์มันก็ขึ้นไปอยู่กับการเปรียบเทียบเลยจึงเป็นการเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนที่เห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์สามารถปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ เห็นว่ากายสะอาดวาจาสะอาดในการปฏิบัตินี้ก็เป็นเรื่องของชั้นศีเมันก็สะอาดที่ตรงใช้คำว่ากายสุจิวาจาสุจิกายสะอาดวาจาสะอาดเมื่อสะอาดมันก็สงบเป็นการสงบเวน้นสงบภายในชั้นหนึ่งแต่พอมาถึงระดับของสติปัฏฐานนั้นเป็นการแสดงเน้นไปที่จิตโดยตรงซึ่งก็หมายความว่า คนที่จะมาประพฤติปฏิบัตินั้นก็ต้องผ่านขั้นศีลมาแล้วแม้จะไม่แสดงเรื่องของศีลเอาไว้แต่พึงเข้าใจว่าโดยหลักของการปฏิบัติแล้วศีลสมาธิปัญญานั้นเราไม่อาจจะแยกกันได้โดยเด็ดขาดการแยกหยาบๆนั้นแยกได้แต่แยกโดยจริงๆตัดขาดออกไปเลยว่าในศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรือในปัญญาไม่มีศีลไม่มีสมาธินั้นแยกไม่ได้ การที่แยกกล่าวจึงเป็นการแยกโดยหยาบหยาบเพื่อให้เห็นได้ชัดให้ผ่านขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นในแต่และชั้นก็สร้างความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปดลหลั่นกันออกไปการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสุตรตามที่ทรงแสดงเอาไว้แม้จะมีนิย่าที่วิจิตพิสดารเป็นพิเศษ แล้วก็นำมาสอนมาประพฤติปฏิบัติกันเป็นพิเศษตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จำแนกแสดงเรื่องของกรรมฐานไว้ถึง21สบเ็ดเรื่องด้วยกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง21สบเเป็นการเสนอแนวทางที่ออกจากออกเดินทางกันคนละทางก็ได้แต่จะมีจุดบรรจบในที่เดียวกัน เหมือนกับบุคคลมุ่งไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเช่นว่ามุ่งที่จะไปสนามหลวงอาจจะออกมาจากคนละทางแต่มีจุดมุ่งอยู่ที่สนามหลวงพอถึงสนามหลวงก็เป็นสนามหลวงด้วยกันข้อปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ทรงจำแนกออกเป็นกายเวทนาจิตธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้กระจายออกไปเป็น21ข้อก็ตามแต่พอปฏิบัติแล้วก็เกิดความบริสุทธ ในชั้นนั้นนั้นตามสมควรแก่การปฏิบัติและตามสมควรแก่ชั้นแห่งจิตที่สัมผัสผลเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ